ความเรื่องสุชีปุญญานุภาพอะไรที่หาไม่ได้โดยศาสตราจารย์พิเศษสเสถียรพงค์วรรณปกจากมติชนรายวัน13ามพฤษภาคมพุทธศักราช2543ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมก่อนจะถึงวันวิสาขาบูชาก็ได้รับข่าวน่าเสียใจท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพได้สิ้นชีวิตเสียแล้ว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 ดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่เป็นไรขอให้แม่นในหลักไว้พระพุทธองค์ทรง ส, งส่งพระอรหันตาวกหกสิรูปไปประกาศพระาศาสนาพระองค์ทรงย้ำเตือนว่าให้ประกาศปรมจันท ร, ร์คือหมายถึงพระาศาสนาให้สมบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะท่านว่ายอย่างนั้นในพระพุทธศาสนามีพูดถึงพระโพ ธ, ธิสัตว์หลายประเภทเช่นประเภทสัทธาธิกะ ยิ่งด้วยศรัทธาประเภทวิริยาทิกะยิ่งด้วยความเพียรประเภทปัญญาธิกะยิ่งด้วยปัญญาท่านอาจารย์สุดชีพนับเป็นประเภทหลังไม่เป็นประเภทโพธิสัตว์ก็น้องๆพระโพธิสัตว์แล้วครับเพราะกิริยาของท่านมุ่งทําประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและมนุษย์ทั้งมวลท่านมีความสุขมากที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่คนทั้งปวง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 ก่อนนอนหันศีรษะไปยังทิศที่พระอัชชิอยู่ทิศหัวนอนของท่านจึงไม่แน่นอนจนเพื่อนพระภิกษุด้วยกันหาว่าท่านพระสาวรีบุตรยังไหว้ทิศ ต, ตามธรรมเนียมพราหมณ์อยู่ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านแสดงความกตันยูกะตะเวทีต่อพระอัชชิอาจารย์เดิมของท่านต่างหากท่านเล่าถึงประวัตินางกุณทนเกสีเถรีที่ถูกสามีลวงไปฆ่า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 2. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาเล่มนี้กลั่นจากพระไตรปิฎกและสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ถือว่าเป็นลักษณะเด่นจริงๆ10บประการสศา ส, สนาเปรียบเทียบ 4. ประวัติศาสตร์ศาสนา 5. อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก 6. กพจนานุกรมศัพพระพุทธศาสนาไทยอังกฤษอังกฤษไทย 7. ดใต้ร่มกาสาวพัดเป็นหนังสือที่เบาสมองอ่านแล้วเพลิดเพลินและได้ความรู้ธรรมะเพราะท่านแต่งเป็นแบบนิยายอิงธรรมะท่านบอกว่าได้แบบอย่างมาจากหนังสือเรื่องกรารมณิทวาสิทธิโดยที่เรื่องกรารมณิทวาสิทธิผู้แต่งอาศัยข้อมูลทางฝ่ายมหายานกับเทรวาตแต่งขึ้นมาท่านเห็นว่าท่านน่าจะเอาข้อมูลจากพระไตรปิฎกอัจฉริดีกา ของฝ่ายที่ราวาดล้วนๆมาแต่งเรื่องทำนองนี้บ้างจึงได้แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นที่ชอบอกชอบใจของผู้อ่านไป ต, ตามๆกันเพราะอ่านเพลินแถมได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยไม่ใช่เฉพาะหลักธรรมหากรวมถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของชมพูทวีปสมัยพุทธกาลอีกด้วย8เรื่องอื่นๆทานองใต้โรงกาสาวพัก เช่นกองทัพธรรมเจิงพาหิมพานลุ่มน้ำนามทานันทประชาบดีถ้าจะกล่าวว่าอาจารย์สุชีพเป็นผู้จุดประกายแห่งการเผยแพร่พุทธธรรมแนวใหม่คือแนวนิยายอิงธรรมะเป็นคนแรกก็คงไม่ผิดนักหลังจากนั้นก็เกิดนักเรียนตระกูลสุชีพอีกหลายท่านบางท่านก็เป็นสิทธิ์โดยตรง บางท่านก็เป็นสิทธิ์โดยอ้อมอาทิธรรมโครหรือแสงจัน ง, งามแต่งลีลาวดีบทบาทหลวงพี่เรวตับของสีกาลีลาวดีเป็นที่ติดอกติดใจภิกษุหนุ่มสามเณร น, น้อยเหลือเกินวสิณอินทศระแต่งพระอานุนพุทธอนุชาเล่าบทบาทพระอานุนติดสอยให้ตามพระพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งดังหนึ่งว่า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 สำหรับที่มาของเนื้อหาที่นำมาอา่านนํามาจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมเสียงอ่านโดยโจโฉ ช, ชมรมพลดี